ทัศนะสุธรรมเรื่องท่านอาจารย์ส่วนโมกกับสุนทรียภาพโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะวันที่17พฤศจิกายน2536หัวข้อในวันนี้ก็คือท่านอาจารย์สวนโมกนะครับกับสุนทรียภาพ เราหัวข้อดูออกจะแปลกตรงที่ว่าเราเศร้ากันดีว่าพระภิกษุหรือบรรพชิตในพุทธศาสนานั้นมักจะถูกมองว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะฮะเพลงหรือจิตกรรมหรืองานศิลปะทั้งหลายเนื่องด้วยอารมณ์สุนทรผมเองไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดอะไรแปลง เนื่องจากาผมเองได้รับรู้ในส่วนนี้โดยเฉพาะก็ว่าได้ครับเพราะว่าตัวเองรับหน้าที่เขียนละคัดล อ, อกจิตกรรมปริศนาธรรมล้ำเลิศของบรรพบุรุษของชาวพุทธในประเทศนี้ขึ้นบนฝาผนังโรงหาอาศพทางวิญญาณในการที่คัดภาพเหล่านั้นขึ้นผมต้องปรึกษาหารือกับท่าน ในเรื่องที่จะปรับปรุงขนาดสเกลแล้วก็สีสันดังนั้นเองยังได้รับทราบความรู้สึกด้านสูนย์ตรีของท่านอาจารย์และเพียงอยากจะเผยแผ่ให้ท่านทั้งหลายที่สนใจในอัตลัภาพของท่านอาจารย์เนโม่ได้รับทราบบ้างเท่านั้นครับกรณนใดผมอยากจะแสดงความ รู้สึกสักอย่างก่อนนะครับการที่เราพูดถึงอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านผู้วายชนนั้นดันั้นสิ่งนี้ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าท่านไม่อาจลุกขึ้นมาตอบโต้ว่าเราพูดถูกหรือพูดผิดอีกดังนั้นเองเป็นไปได้ที่ทำเนียมขนบทำรรเนียมไทยจึงให้ผู้ที่อยู่ภายหลังเลือกพูดถึงผู้วายช น, น, นในทางที่ดีไว้ก่อน เพราะว่าในทางดีนั้นไม่ต้องแก้เท่าไหร่นักแต่ถ้าเราพูดพลาดไปจากความจริงแล้วก็เสียหายทีเดียวครับอ่าดับถัดมานะครับผมอยากอยากจะชี้แจงให้เห็นความต่างและความเหมือนหรือที่เรียกกันด้วยศัพท์สมัยใหม่ว่าปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างศนลียภาพกับศิลปะสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันครับ อาจจะร่วมหรือแยกกันได้งานศิละปะบางชิ้นไม่มีสุนทรียภาพดังที่เราเห็นกันในปัจจุบันนสุนทรียภาพหมายถึงอารมณ์ที่เราความรู้สึกต่อสิ่งสุนทรยั่งยืนอมตะนะฮะส่วนศิละปะที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยอา จ, จเป็นเพียง พ, พ้นพวงของเทคโนโลยีเท่านั้นทำอะไรยุ่งยุ่งพิสดารพันลึกแล้วเราก็เรียกว่าเป็นศิละปะ สิ่งนั้นจะมีประโยชน์ทางด้านมโนธรรมเนี่ยน้อยครับแล้วเป็นสิ่งวู่นว้าวจับฉวยส่วนสุนทรียภาพนั้นนะครับเป็นคุณสมบัติดูเหมือนที่เป็นคุณสมบัติที่แสดงออกเมื่อจิตใจผ่องแผ้วประพัดสอนความงามนั้นเปล่งประกายออกจากเนื้อในของดวงจิตดังนั้นมนหลักอภิธรรมนะครับคือธรรมะชั้นสูงในพุทธศาสนาเนี่ย บอกเล่าเราว่าก่อนหน้าที่ปัญญาภูมิปัญญาชั้นสูงจะปรากฏจิตดวงหนึ่งปรากฏขึ้นก่อนเรียกว่าโศภเนจิตจิตงามจิตที่จำสายพระพัฒสณ์เกิดขึ้นต่อลำดับต่อไปนั้นก็ปัญญาจะตามมาดันั้นในประเด็นในความหมายนี้นั้นสุนทรียภาพเป็นสิ่งแนบแน่นกับเรื่องของสัจธรรมไม่ใช่เรื่องที่สวนทาง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 ด้วยอำนาจของภูมิปัญญามีคํานิยามที่มาจากแหล่งที่มาที่หนึ่งที่ใดครับว่าพระภิกษุนั้นรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจด้วยดวงจิตอันรื่นรมข้อนี้หมายอริยสัจเรารู้ว่ามันเริ่มต้นได้ทุกนะทุกขสัจไม่ได้หมายว่าเราต้องทุกข์กับความทุกข์ไม่ใช่ว่ารู้อริยสัจด้วยจิตใจที่หมนหมองแต่แทงตลอด สัจธรรมนี้ด้วยดวงจิตที่รื่นลบนี่คือเข่าเงื่อนของสุนทรียภาพครับผมจะต้องตีวงกว้างไปสู่สีกโลกทั้งสองนะครับตวนออกและตวนกตกเพื่อสาวก็สู่รากเงาของที่มางความหมายของคว่าสุนทรียภาพก่อนรวมไปถึงความหมายของศิลปะด้วยนะครับมีคำอยู่สามคำที่ความคาบเกี่ยวกัน ไม่เหมือนกันแต่คาบคาบเกี่ยวโยงใหญ่ซึ่งกันและกันคือสิ่งที่เรียกว่าความจริงความงามและความดีสามสิ่งนี้ในโลกตนตกมั ก, กถูกสร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของเทพธิดาสามองค์สามคุณค่าที่เรียกว่าทรีเกรสถ้าผู้ที่ค้ามวอร์ดในเรื่องของในโลกศิล ป, ปะจะรู้ว่าภาพเขียนของบอตติเชลีอะไรนะครับ จะมีภาพเทพธิดาสามองค์กำลับบงโอบ ก, กอดกันอยู่ที่จริงนั่นเป็นสัญลักษณ์ของความงามงความดีและความจริงนูเรเยฟนักตะบําปลายเท้าคณะบอลชอยนะครับมาเต้นลาโลงที่กรุงเทพนี่เองเต้นลาโลงนะครับเขาได้เอาสามลักษณะนี้มาเป็นตัวละครแต่ในการเต้นไล่ลํำเรืองรำของเขานั้นเขาเน้นเรื่องศิลปะมากครับ ความงามเขาเน้นเรื่องความงามว่าเป็นเป็นสิ่งที่เด่นและสําคัญที่สุดในบรรดาสามสิ่งนั้นเราอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าคตินิยมทางโลกซีตัวหนอกนั้นเราเน้นที่ตัวความจริงนะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงความงามเราต้องบอกว่างามจริงๆถ้างามต้องจริงด้วยและงามแท้ๆคือมีความจริงแท้อยู่ในนั้นด้วยนั้นเจาะเขาว่า ความงามที่ ย, ยั่งยืนนั้นต้องมีความจริงอยู่ด้วยต้องประ ส, สาแนแน่นกับตัวความจริงดังนั้นจึงเกิดคติทัศที่ว่าถ้าจะให้รู้จักดอกไม้ข่งพระละหันต้องเพ่งดูที่ซากศพเึ่งอันี้ผมคิดว่าแนวทางตอนตกรับไม่ไหวครือว่าซากศพงามเพราะว่ามันจริงดังนั้นความหมายของศูนทิภา์นี้ลุ่มลึกแล้วครับลุ่มลึก ในทมกลางของความทุกยากเจ็บปวดทุกทรมานนี้ครับคำถามหลักเกิดขึ้นว่ามนุษย์สามารถรื่นรมชีวิตชนนี้ได้หรือไม่หรือว่าชีวิตต้องมีแต่ทุกตั้งแต่เกิดจนตายาผมอยากให้ย้อนไปดูทัศนะของปราช์ทางตะวันตกนับตั้งแต่อริสโตเติลนะครับจนพโลโ์ิกาโซ ศิลปินที่โลกยอมรับเราอาจจะไม่ยอมรับนะแต่ก็ถือว่าโลกเขายอมรับว่าเป็นผูเ้เปรืองปราดในเรื่องของศิลปะหรือสุนทรียภาพประาดเหล่านั้นมองว่าศิลปะหรือสุนทรียภาพที่ก่อเกิดจากงานศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่เหนือกว่าความสัตย์จริงของธรรมชาติปิกาโชเองพูดว่าสิ่งใดที่ธรรมชาติไม่มีให้ ศิลปะมีให้ได้ okay. ดังนั้นความงามความดีและความจริงไม่จําเป็นต้องร่วมกันอาจจะแยกกันได้โปรดสังเกตอันนี้ดีนะครับในขณะที่ตัวนอกถือว่าแยกไม่ได้อะไรงามต้องจริงเมื่อจริงมันก็ต้องดีมันดีมันงามมันจริงมันมันโยงกันอย่างแน่นแฟนมากเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าที่แข็งแกร่งที่สุดตอนสจอยเองนะฮะปาดซึ่ง ค่อนข้างเคารพ บ, บูชาคติทัดในทางตอนออกก็ยังเห็นด้วยกับฝ่ายตะวันตกที่ยืนยันว่าความงามไม่จะเป็นต้องดีนั้นถ้าเราจะเห็นเสรีภาพของฟิลิปปินส์ทั่วไปนะครับที่สร้างสรรค์ความงามโดยไม่แยแสต่อความเป็นจริงหรือแม้แต่สินธรรมจัญญาข้อนี้นั้นเข้ามาสู่ความรับรู้ของผมเมื่อวันหนึ่งพระมาภาพโอลิมเปีย ซึ่งเป็นภาพนูดซึ่งเขียนโดยมาเน่ครับสุดวินยุคเริ่มต้นของ Impressionism มท่านที่ไม่อยู่ในแวดวงศิลปะคงฟังยากครับแต่ว่าแต่ว่าผมพยายามที่จะรักตัดเพื่อให้เข้าสู่ประเด็นนะครับภาพนั้นเป็นภาพเปลือยครับผู้หญิงเปลือยเทพธิดาโอลิมเปียนอนอยู่บนเตียงนอนถ้าเห็นข้าวท่านงับหนังสืออย่างแรงๆสมองนี่เป็นภาพที่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 ท่านอาจารย์ได้แสดงความเข้าใจอีกระดับหนึ่งแสดงว่าท่านมีพัฒนาการตลอดเมื่อได้สัมผัสอะไรแต่ปฎิยาครั้งแรกท่านปฏิเสธ็ภาพอย่างนี้จะเป็นศิลปะไม่ได้มันท้าทายศิลปธรรมท้าทายต่อช่วงท่าที่เรียบร้อยของของมนุษย์นื้อท่านพยักหน้าบอกผมเข้าใจแล้วที่เขาเปลือยเนื่อเพราะว่าเขาต้องการให้เป็นฟิกเกอร์ที่เป็นสากลไม่อยากให้เป็นชาติหนึ่งชาติใดผมรู้สึกทึ่งในอัตฉรภาพด้านนี้ท่านคือท่านแสดงความเข้าใจได้อย่างรุ่ดเร็วมากครับ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 หรือรอืคติทัตของชาวจีนหรือปราชญ์จีนโบราณว่าด้วยเรื่องตันเถียนนะครับคือแหล่งที่มาของพลังชีวิตผู้ที่เล่นไทเก๊กก็ดีหรือวาดรูปแบบจีนได้จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีมากครับออฝ่ายินดูนั้นมีทฤษฎีที่เรียกทฤษฎีกุนทลินีถือกันว่าที่ฐานกชิงกลานของดุราวนั้นเป็นแหล่งรวมของพลังชีวิตมหาศาล ซ่อนอยู่แล้วมนุษย์เหล่านั้นจะเจ็บป่วยเมื่อพลังเหล่านั้นล่อยหลอนะทฤษฎีตันเถียนกับกุนทรีนีนี้คล้ายกันมากครับผมคิดว่าน่าจะมาจากแหล่งเดียวแล้วยงยญยไปสู่คติความเชื่อของศาสนาอียิปต์โบราณด้วยครับเราเห็นว่างูสองตัวที่พันคบเพลิงที่เป็นเครื่องหมายของกรมการแพทย์นะฮะที่ยังมีคติความเชื่อจาก จากอิจิบต์โบราณงูสองตัวชื่อนินาซูนินิซิดาวิชาที่เรียกว่าเคมีดำหรืออัลเคมีนะครับแพร่หลายอยู่ในโลกครั้งอดีแต่อัลเคมีไม่ได้หมายถึงการเล่นแร่แปรธาตุเปลี่ยนตะกั่วให้เป็นทองคําแต่ถือว่าเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเซียนนั่นก็เป็นอัลเคมีครับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเคมีชีวภาพในร่างมนุษย์คนหนึ่งอันนั้นราก ฐ, ฐานของวิชาเคมีของต้นหนกกว้างไกลและลึกลำมากครับ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 ไม่ว่าการลบทับจับศึกไม่ว่าการเยียวยากีฬานาเพสัตร์ก็ดีหรือศิลปะก็ดีเป็นการดึงพลังที่ซ่อนเล้นออกมาใช้มันรวมไปถึงสุขภาพพลานามัยด้วยครับอันนี้เป็นเปรียบเสมือนนิพน์หรือตีสิท์ของโลกซีกตัวหนออแต่ว่าถ้าเราดูผ่านภาพยนต์กำลังภายในออกจะโอเวอร์ไปนะนพระต้องการให้สนุกสนานแต่ว่าโครงสร้างนั้นสาคัญมากครับ โดยที่ก็แบ่งฐานของความเป็นคนเนี่ยเป็นจุดเรื่อจักราจักรที่แปลวีลล้อนะครับถ้าว่าพลังชีวิตที่ถูกดึงขึ้นจากแหล่งกาเนิดเลื่อนขป้นสู่ระดับใดเชื่อว่าบุคคล น, นั้นพัฒนาตัวเองไปสู่ระดับนั้นถ้าขึ้นสูงส่งขึ้นมาก็ถึงระดับเซียนหรือเทพนะฮะมโนราพักใต้ของเรานีครับที่จริงเป็นโยคะเป็นนาฏโยคะเพื่อสาวดึงองอาพลัง ขึ้นมาเบื้องสูงท่าแต่และท่าท่าสัจชาตรีนั้นเป็นท่าที่บอกลักษณะของความงามเยี่ยงเทพคือเป็นทิปเราจะลืมหน้าตาผิวพัร์ที่ด่างดำของนักฟ้อนแต่เรามองเห็นไอ้ท่วงท่าที่สง่างามเจรจาในในที่เขาแสดงออกประชาชนไทยทั้งอยู่ในประเทศนี้และนอกประเทศนะครับที่เรียกตัวเองว่าสยามหรือไทยอาหมอเีย มีแนวโน้มที่จะตอบว่าผู้ผู้ถามเขาว่าเขามีเชื่อสายโนราคำว่านรานี่กลายเป็นเหมือนการให้เชื่อสายอะไรบางสิ่งทึ่ยิ่งใหญ่และงนงามงยิ่งนะคอับบสารต่อนะครับว่าเมื่อพลังชีวิตถูกดึงขึ้นในบรจั ก, กราแต่ละฐานเนี่ยมนุษย์จะเปลี่ยนไปตามฐานของพลังอนันถ้าว่าถึงระดับที่ที่หน้าผากก็าอาจจะเล็งแลเห็น ซุนเทียภาพในองค์ผู้เป็นเจ้าได้และเรียกสิ่งนี้ว่ากุษณมนัดคือมีน้ำใจเยิ่ยงเทพเจ้าดังนั้นจากคติทัตอันนี้นะครับบอกเราว่าความงามเป็นเรื่องของการพัฒนาภายในพัฒนาจิตใจหรืออารมณ์ภายในจนแลเห็นความงามได้ดังนั้นความงามเป็นเรื่องของภพภูมิจะเลี้ยวแล้วทางตะวันตกนะครับ ศิลปินข่าว จ, จะอยู่ในสตูดิโอเพนด้วยสีสันวันรายแล้วก็เหนื่อยเข้าก็าไปกล้องเมามาแลาวทำงานต่อนั้นท่าทีของศิลปินตะวันตกเป็นท่าทีของปราดทางุนตรีแต่ท่าทีของตัะนอกนั้นจิตกรก็ดีเป็นท่าทีของนักพรตเราจะพบดว่านักรตเตาก็ดีนักรตจีนก็ดีมักจะวาดรูปแต่ลักษณะไม่ไม่เหมือนกันเนี่ย อันนี้ผมชี้แจงให้เห็นนะครับว่าโลกครั้งอดีตตั้งต้นจากสิ่โลกตัวออกมีความเข้าใจต่อสุนทรียภาพแนบแน่นกันในศาสนาเรียกสุนทรียภาพในองค์พระพู้เเจ้า mm hmm. เดี๋ยวแล้วทั้งโลกสิ่ตะวันตกก่อนหน้ายุคสมัยที่เรียกว่าฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือที่เรียกว่ารีนนซองนั้นเราเรียกกันว่ายุคใบเซนไทยคือยุคที่คําสอนพระเยซูนั้น ยังไม่ได้รับการรับรองจากเจ้าครองนครจ ะ, จะต้องมีโบสถใต้ดินจะพบปะสวดมนต์ที่ยังต้องหลบหลบซ่อนๆในช่วงนั้นการแสดงออกศิลปะนี่นับอป็นงงามและท่อมมากครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าการที่ใครสุกคนหนึ่งวาดรูปเป็นร้องเพลงเป็นหรือเป็นกวีเป็นกวีคนสาคัญ น, นั้นเนื่องจากการดนบันดาลขององค์พระผู้เป็นเจ้าศิลปะความ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 กนตายอธิษฐานขอให้เกิดมาซ่อมอีกเราพบว่าความคติความเชื่อในเรื่องภบชาติเนี่หนักแน่นมากสาหรับคนตัวด อ, อกสิ่งหนึ่งที่เรือลางจางหายไปจากแผ่นดินนี้นะครับก็คือคติความเชื่อในเรื่องการสั่งสมบารมีอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งครับตามทัศนะของผมโดยที่คนตัวตัวดอกโดยเฉพาะชาวพุทธ ไม่เชื่อแบบตัดตอนว่าชีวิตนี้เท่าที่ปรากฏเท่านั้นคือตายแล้วจบกันเนี่ยจะมีแนวโน้มเองที่เชื่อว่าชีวิตปรากฏอยู่ก่อนเกิดและชีวิตไม่จะจบสิ้นหลังตายสิ่งนี้จะเป็นจริงหรือไม่จริงในเรื่องหนึ่งนะแต่ผมกำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการ ท, ที่ที่จะสอนคือเรื่องพาราได์กระบวนการ ท, ที่มีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าชีวิตไม่ใช่เท่านี้ดังนั้นเนื่องจากนิทานชาดก พระคำพีหลักที่เล่าเรื่องการสังสมบารมีของพระโพสิ์สัตว์เสียสงไข่แสนกับเพื่อได้รับพระโพธิญาณในชาติสุดท้ายแกนนาวันนี้สําคัญเลฮะสมมุติว่าเออขามีความเชื่อว่าเราเคยทําบุญร่วมกันมาแล้วชาตินี้จึงพบกันอีกแต่ผมจะพูดว่าที่เรามานั่งประชุมวันนี้ด้วยอำนาจของบารมีเนี่ยฟังดูเลอล่านะครับแต่ว่าผมเชื่อสิ่งนี้ครั้งอดีต่เป็นเรื่องจริงจังมากครับ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 แตาผมไม่มีกระบวนทัรทัแบบของเรื่องบารมีนะครับผมไม่ต้องโกรธผ ม, มต้องแก้แค้นต้องเอาคืนให้ได้แต่ถ้าผมมีกระบวนทัศน์บนการสั่งสมบารมีนั่นคือชีวิตนี้มีไว้เพียงเพื่อสั่งสมบารมีเสริมสารบารมีธรรมที่เคยสร้างมาแล้วนีให้เต็มเปี่ยมผมอาจจะต้องคิดว่าชาติก่อนผมคงเคยทำเขาบอดชาตินี้เขาดึงทาให้ผมบอด เรื่องจบทันทีนะครับเราต้องเห็นพลังของไอ้ไอไอกระบวนการนนี้รุนแรงครั้งอดีตนะฮะแต่ถ้าผมไม่มีเนี่ยปัญหามีมากทีเดียวผมมงที่เจอในชาตินี้เพราะว่าสั่งสมบุญกันมาก่อนแล้วเราจะมาทิ้งกันได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมครันั้นก็อ้างลึกเข้าไปชีวิตไม่ได้โผล่เฉพาะเท่าจิตาเห็นรากเง้าของชีวิตนั้นเทกรูทมันลึกแสนนะครับพบกันอีก สังสมบารมีทำกันไปเรื่อยๆแม้แต่เครื่องใช้เครื่องมือกริดขวานเนะี่ยคืเกิดเดิมแน่นบารมีต้นไม้ไร่นาสาโถนะฮะสิ่งนี้ผมรู้สึกว่าจืดจางลางเลือนไปจากสังคม น, นี้ศิลปินขั้งอดีตนะฮะเราพบว่าฝ่ายเทราวาสเราพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาสเนี่ยมีระเบียบโดยเฉพาะในศีนแปนะพบว่าห้ามร้องลัมําเพลงซึ่งเป็นเรื่องอารมณ์สนตรีเป็นเรื่องของศิลปะแต่ท่านคงทราบดีนะครับ กอฟ้าบริกาเจดี N, งดงามพลิ้งพลายนั้นฝีมือพระทั้งนั้นเลครับมันน่าแปลกตรงที่มันมีความกัดแยง้งอย่างไรชอบกันซึ่งเราต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าโดยศีลห้ามคุณเล่นอันนั้นแต่ถ้าคุณเล่นเพื่อธรรมะแล้วก็ได้เห็นไหมฮะมีอะไร ท, ที่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องทำทุกอย่างเพื่อสังสมบา ร, รมีการฆ่าคนอื่นเท่าตัดทอนบา ร, รมีของตัวเอง และตัดทอนบารมีของคนอื่นกับสัตว์เลี้ยงช้างมา้าวัวฝวายถือมองด้วยสายตาที่ว่าสัตว์ผู้น่าสงสารเหล่านั้นกำลังสั่งสมบารมีที่ชาติหนึ่งชาติใดเขาจะได้เกิดเป็นมนุษย์และเข้าใจอริยสัจคำสอนของพระเจ้าเมื่อสมัยผมดเด็กพี่สบายเขาเลี้ยงหมูครับเขารู้ตั้งแต่ต้นว่าเขาจะเลี้ยงไวขายแต่พอวันขายก็ร้องไห้เป็นวักเป็นเวรเลย มันมันบอกอะไรบางสิ่งเนงว่าเขาเลี้ยงขายจริงแต่เขาเลี้ยงมันอย่างดีเลยมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะเช้าวันนี้ผมอ่านข่าวที่น่าสลดเกิดขึ้นที่อเมริกาชายชราอายุร้อยี่สิบปีถูกไม้พนูฟาดตายคา่าที่ยิงร้อยยี่สิบปีผลักทีเดียวก็แย่แล้วครับแต่ว่าคนโหดเหี้ยมมากขึ้นครับเมื่อกระบวนัดรในเรื่องสังสมบารมีจืดจาง อะไรเกิดขึ้นนี่เราเราคาดไม่ถึงนะครับเพราะคนเชื่อมั่นแต่เรื่องการบริโภคการกินการใช้ไม่ได้คิดถึงความผูกพันยงใหญ่ในปรโลกผลสืบเมืองจากการกระทำํำของตัวเนี้มนุษยไ์ไม่มีความรับผิดชอบนั้นแล้วนะครับดูผมจะออกนอกทางหัวข้อไปแล้วนะครับผม เ, เองเรียนทางศิลปะเมื่อผมจะเล่าสุนทรีของท่านอาจารย์นั้นจําเป็นมากที่ผมต้องเล่าความรู้สึกส่วนตัวด้วยเพราะว่า ผมได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการจากท่านขั้งแรกสุดผมเจอท่านนันผมตกตะลึงในบุคลิกภาพเมื่อกี้เล่าให้เพื่อนผู้องานฟังนะครับเพราะว่าเราไดพบแต่ผู้นำไม่ว่าในทางสาขาดใดที่เราพอจะเข้าใจได้จะเป็นนักธุรกิจจะเป็น ค, าาน ร, นครูบาอาจารย์มหาเลยนะฮะเพราะว่าข a หล n t นั้นบุคลิกภาพเหล่านั้นเป็นผลิตผลของเมืองของการต่อสู้ แต่เมื่อผมเจอท่านนั้นท่านเป็นผลิตผลของป่าอาการที่นิ่งและตอบคำถามอย่างระมัดระวังนี่ทำให้ผมแปลกใจมากครับปกติเราถูกถามแล้วก็ตอบแบบอัตโนมัตินะครับแต่สำหรับท่านนั้นเต็มไปด้วยการไขครคร้คูญอย่างรู้แล้วนิ่งเป็นหลักนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นท่านผมเองเรียนจบจากมหาลาัยแล้วรับราชการเป็นครูสอนศิลปะครับนั้นโดยกําพืชโดย แนวโนมเองก็ชอบศิลปะเป็นหลักอยู่มองอะไรมองด้วยอารมณ์สุนทรีเพราะถูกกระผมบ่มนิสัยมาอย่างนั้นประกอบกับผมเองต้องเป็นผู้บรรยายเรื่องความงามของพระพุทธ ร, รูปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตครุกนคุยอยู่กับการสเก็ตภาพประพัก พ, พุทธ ร, รูปอยู่นานครับดังนั้นภาพของความรู้สึกของตัวผมต่อนักบวชก็ค่อนข้างเรียบร้อยงดงามอ่อนโยนสุภาพ จริงใจอะไรเหล่านี้นะซึ่งถึงนี้เองเมื่อผมไปที่สวนโมกผมกระทบมากการกระทบนั้นก็คือ <c oughs> ผมเองไม่เข้าใจว่าอารมณ์สุนทรีเนี่ยมันมีความปลอกอยู่ในตัวมันเพียงใดผมเข้าใจสุนทรีภาพที่ผมมีนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วให้คะแนนตัวเองเพราะว่าเองเออเองเนะผมก็จวท่านอาจารย์ท่านอยากจะให้ผมเข้าใจความจริงที่ยิ่งกว่า น, นั้น ดังันวันหนึ่งท่านก็ผมต้องเล่ารายละเอียดนิดนึงครไม่งั้นจะจับประเด็นไม่ได้ครับมีมีเรือซึ่งเป็นที่เก็บถังน้ําฝนนะฮะบนเพดานเรือนั้นท่านได้เดินทางไปที่เกาะสมุยเอาหินสวยๆนี่ก็เป็นแง่หนึ่งที่ว่าท่านอาจารย์ท่านมีสัญชาติภาพท่านเลือกหินที่รูปร่างปแปลกๆมากองซุงม้มไว้บนหลังเรือนะครับโดยมีแผนการที่จะตกแต่งจัดให้มันเป็น วงจรของปฏิจจสมุปบาทเพื่ออธิบายญาติโยมที่ไปเที่ยวต่เนื่องจากท่านไม่ค่อยมีเวลาท่านทำงานลิเริ่มหลายด้านตั้งเขาขึ้นหลายแง่หลายมุมประกอดว้วยลารุ่งเลยเป็นหลายปีฝนตกน้ำท่วมกันมาเกือบถึงเขาแล้วก็มีปลาช่อนปลาอะไรซึ่งมาได้อย่างไรก็ไม่มีใครทราบครับวันหนึ่งท่านก็เรียกผมไปตอนนั้นผมเพิ่งบวชใหม่ครับประมาณ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 ในการทาสีเพื่อที่กรบสีเดิมซึ่งเป็นสีซีเมนเมื่อนานเข้ามันกระดำกระด่างนะฮะกาลังทาอยู่ท่านก็เดินมาอยู่ข้างล่างผมอยู่มันข้างบนครับบนห้างบนร้านท่านพูดคึ้นลอยๆครับบอกว่าสีไหนอยู่ให้เอาสีนั่นซึ่งอี้เป็นเป็นสิ่งที่มีอุปการะกับผมมากๆเพราะว่าเมื่อเราทําการอะไรเราจะมักจะกังวลกับสิ่งที่เราทำนะฮะ